สองอับปดปติกรัมรมะอุเขปนิยกรรมะปฏิปัปสสธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ449ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ แล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้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 อุกเปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับ like อุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูป